ฟัทรตุมลัฮบรบบก่านุสลดังนั้นฉันได้หนีไปจากพวกท่านเมื่อฉันกลัวพวกท่านแล้วพระผู้อวิบาลของฉันได้ทรงประทานอำนาจแก่ฉันด้วยการเป็นศาสดาแล้วทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนาทู์คน และนี่คือบุญคุณที่ท่านล้ำเลิกมันต่อฉันโดยท่านทำให้วงวานของอิสราเอนเป็นทาสฟิรูนได้กล่าวว่าและใครคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลลลง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 พวกเจ้าได้ยินไหมเขามูซากล่าวว่าพระผู้อวยารของพวกท่านและของบรรพบุรุษสมัยก่อนๆ น, นั้นด้วยเขาฟิรูนกล่าวว่า แท้จริงศาสนาทูตของพวกเจ้าที่ได้ถูกส่งมาอย่างพวกเจ้านั้นเป็นคนบ้าอย่างแน่นอนขามูซ่ากล่าวาว่าพระผู้อภิบาลแห่งทิศ ต, ตะวันออกและทิศตะวันตกและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหาพวกเจ้าใช้สติปัญญาพิจารณา เขาฟิรูอุนกล่าวว่าหากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่พูดต้องขังอย่างแน่นอนเขามูซากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมาอย่างท่านกระนั้นหรือเาอนกล่าวว่าหากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขังอย่างแน่นอนเขาซากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมายงท่านกระนั้นหรือ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 แล้วมันก็เป็นสีขาวอันเจิดจ้าแก่บรรดาผู้มองดูกเขาฟิรูนกล่าวแก่คุ้นนานผู้ใหญ่รอบๆอบเาว่าถ้าจริงคนนี้เป็นนักเล่นคนที่ช่ำช่องเขาต้องการที่จะให้พวกเจ้าออกจากดินแดนของพวกเจ้าด้วย วิทยาคนของเขาดังนั้นพวกเจ้าจใจฉันจัดการอย่างไรพวกเขากล่าวว่าจงหนุเหนี่ยวเขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปตามหัวเมืองให้มาชุมนุมกันเพื่อที่นักเล่นกลผู้จำนานทุกคนจะได้มาหาท่าน และบรรดานักเล่นคนได้มาชุมนุมกันตามวันเวลาที่กำหนดไว้และได้มีประกาศแก่ผู้คนว่าพวกท่านจะไปชุมนุมด้วยไหมและถ้าจกาหากพวก เพื่อพวกเขาจะได้ตามบรรดานักเล่นกลหากพวกเขาเป็นผู้ชนะเมื่อพวกนักเล่นกลมาถึงพวกเขากล่าวแก่ฟุรูอว่าพวกเราจะมีรางวัลแน่หรือ หากพวกเราเป็นผู้ชนะเขากล่าวว่าถูกแล้วและพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอน ม, ا أ ม, มูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องโยนได้เลย ن ن ال และพวกเขาก็ได้โยนบรรดาเชือกและก็ไม้เท้าของพวกเขาโดยที่พวกเขากล่าวว่าด้วยเกียรติยศของฟิรูดแท้จริงเราเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน และมมซาก็ได้โยนไม้เท้าของเขาท่านใดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ทำวิทยากนเอาไว้พวกนักเล่นกลจึงก้มลงกราบสู่หูพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก เของ س าฟิโรจน์กล่าวว่า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 พวกเขากล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกแท้จริงพวกเรานั้นต้องกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเราแท้ ن ن ان أن จริงเราปรารถนาที่จะให้พระผู้อภิบาลของเราส่งยกโทษให้แก่เรา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 และฟิรูห์ได้ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆให้มาร่วมจุมนุมแล้วว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยและแท้จริงพวกเขาได้ทำให้เราเกิดภูษะและแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ดังนั้นเราอัลลอฮได้พวกเขาออกจากเรือสวนและลำธาร น, น้ำและทรพย์สินอันมากมายและที่พมนักอันโอ้กรือสำรและทรัพสินอันมากมายและที่พมนักอันโอ้อา เช่นนั้นแหละเราได้วงวานอิสราเอลได้รับมรดกครอบครองมันแล้วเฟรูดได้ติดตามไปทันวงวานอิสราเอลเมื่อตะ ว, วันทอแสงขณ ะ, มะมเมื่อแต่และฝ่ายได้มองเห็นกันพวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริง เราถูกตามทันแล้วซามูาได้กล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์ทรงที้ทางนำให้แก่ฉันออหนิรบกั ดังนั้นเราได้องค์การแก่มูสาว่าจงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออกแต่และข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่ และเราได้พวกอื่นเข้ามาใกล้ณที่นั้นและเราได้ให้มูสาและพูดที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไปและเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย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 สงเมตามอและจงอ่านเรื่องราวของอิบราฮีมให้พวกเขาฟังขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเคารพพักดีอะไรกัน พวกเขากล่าวว่าเราเคารพพักดีรูปปั้นแล้วเราจะยังคงยึดมั่นตลอดไปเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าวิงวอรขอพวกมันได้ยินพวกเจ้าหรือไม่ หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าไหมพวกเขากล่าวว่าแต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้นเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีอยู่ ทั้งตัวของพวกเจ้าเองและบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนการนั้นแท้จริงพวกเขาคือศัตรูของฉันนอกจากพระเจ้าแห่งสากลโลก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 และผู้ที่ฉันหวังว่าจะส่งอภัยความผิดให้แก่ฉันในวันแห่งการตอบแทบบนโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และส่งให้ฉันอยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลาย และสรงให้ฉันได้รับการดำนึกอย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อๆไปและสรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมโรโดกแห่งสวนสวนรรค์อันร่มรื่น และทรงประธานอาภัยให้แก่บิดาของฉันด้วยแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิดและทรงใหญให่ฉันได้รับความอัปยตในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนจีพวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวมือประโยชน์อันใดได้เลยอลมันอลลอฮม เว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นนลลตตและสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงและนรกจะถูกเผยให้เห็นแก่ผู้ทำชั่ ว, วลล ม, ม, มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าที่เจ้าเคารพพักดี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 พระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธบรรดารอซูลขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือนัวได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้งขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบั้งหรือ แท้จริงฉันคือศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮและเชื่อฟังฉันเถิดและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลย ค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลละโลกเท่านั้น وا وأ ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงเชื่อฟังฉั น, นพวกเขากล่าวว่าจะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกต่ำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่านผูขากล่าวว่าจะใ้พวกเราศัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกต่ต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่าน เขาเนว้กล่าวว่าฉันไม่มีความรู้อนไดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันการตอบแทนของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดนอกจากอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันหากพวกเจ้ารู้ إن إ لا إ لا และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธา ท่นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าโอ้นัวหากท่านไม่หยุดยัง้งแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขว้างด้วยก้อนหินเขานัวกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน แท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ปฏิเสธฉัน M m in in. ดังนั้นขอพระองค์ทร ง, งตัดสินระหว่างฉันกับพวกเขาโดยยุติธรรมเถิดและทรงโปรดเช่อฉันและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันให้รอดพ้น ด, ด้วยเถิดและเราอัลลอฮ ได้ช่วยเขาและผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปีย่ย ม, มแล้วเราเอัลลอฮ์ได้พวกที่เหลืออยู่จมน้ำตาย ah, แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมาก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 ถ้าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระเจ้าแห่งสากลละโลกเท่านั้น ت ت พวกเจ้าสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนที่สูงทุกแห่งเพื่อโอ้อวดกระนั้นหรือ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 และพวกเจ้าจงยำเกรงผู้ทรงประทานสิ่งที่พวกเจ้ารู้ดีอยู่แล้วให้แก่พวกเจ้า د د พรองทรงประทานปสัสสตว์และลูกหลานให้แก่พวกเจ้าด้วยและสวนอันหลากหลายและลำธารหลายแห่งถ้าจริงฉันกลัวว่า พ ว, วพวกเขากล่าวว่ามีผลเท่ากันแก่เราท่านจะตักเตือนหรือไม่ตักเตือนเราก็ตักนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อน วพวกเราจะไมม่่่อยููููในหผ้ถกกลงโทษพวเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาดังนั้นเราจึงทำลายล้างพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาพวัเขามีความเชืีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสม อ, อมลกลุ่มชนของสมุดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูต um um ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซาเลในกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรือินนีลเคุมรสูลอมีน แท้จริงฉันคือศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้า وا وأ ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิดและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉัน ไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเท่านั้นพวกเจ้าจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างปลอดภัยณนะที่นี้หรือในสวนอลากหลายและลำธารหลายแห่งและไร่นาและต้นอินทผลัมซึ่งกิ่งก้านของมันสุกงอม ب ب และพวกเจ้าส ก, กาัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความชำนาญด وا وأ ังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮและเชื่อฟังฉันเถิดและจงอย่าเชื่อฟังคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝืน พวกที่ทำความเสื่อมเสียในแผ่นดินและไม่เป็นพวกพัฒนา إن أن พวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม أ أ ท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราดังนั้น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 และพวกเจ้าจงอยา ก, ก่อความทุกข์ยากแก่มันมิฉะนั้นการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้ า, า, าและพวกเขาได้ฆ่ามันพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผู้เศร้าโศกเสียใจฉะนั้นการลงโทษจึงได้ประสบแก่พวกเขา แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นปรงเป็นผู้ทรงเดชะนุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นโปร่งเป็นผู้ทรงเดชะนุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ กลุ่มชนของลูดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือลูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีลมคุมรสูลอามีนแท้จริงฉันคือศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าตแต่อลอและนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์และเชื่อฝังฉันเถิด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 พวกเจ้าเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกระนั้นหรือและพวกเจ้าจะทิ้งสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงบังเกิดมาสำหรับพวกเจ้าคือพัญญาของพวกเจ้าแน่นอนพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนพวกเขากล่าวว่าโอ้ลูตเอ๋ย หากท่านไม่หยุดยัง้งแน่นอนท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะถูกขับไล่ให้ออกไปเขารูดกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เกลียดการการะทำของพวกเจ้าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอโปร่งส่งช่วยฉันและบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขาการะทำกัน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 ขณะที่ชูอายได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรือ um แท้จริงฉันคือาศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงเอาลอและเชื่อฟังฉันเถิด